ด้านจิตใจคือด้านนามธรรมเรามองไม่เห็นหรอกแต่ผมว่ามันสำคัญกว่าด้านร่างกายเพราะร่างกายเนี่ยบางทีเราทานไปแล้ว้าใจไม่ดีมีความวิตกกังวลมีความซ้อหมองทานอาหารไปก็ใจคิดกังวลในเรื่องราวต่างๆบางทีอาหารก็าอร่อยนะแต่ทานแล้วมันไม่อร่อยเห็นไหมมันจืดๆืดนะคนถูกรถตกรถที่หนึ่งเนี่ย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 ด้อาหารใจแต่เป็นการป้องกันโรคได้หลายโรคเลยคนที่เป็นโรคจิตโรคประสาทเนี่ยเกิดจากว่าขาดอาหารใจใจที่มีความซ่อมหมองเนี่ยมีโอกาสที่ทำให้โรคจิตได้แล้วคนที่มึนศีรษะเวียนศีรษะปวดหัวหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยอันนี้เพราะว่าใจขาดอาหาร เพราะนั้นสาคัญมากคนที่นอนไม่หลับเนี่ยส่วนของอาหารตาร่างกายเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันทําให้นอนไม่หลับทานมากเกินไปทานน้อยเกินไปก็นอนไม่หลับแต่ว่าก็เป็นชั่วขณะหนึ่งแต่ใจที่มีปัญหาเนี่ยอันนี้สาคัญมากใจที่มีปัญหาเนี่ยทาให้คนนอนไม่หลับคนเราน อ, นอนไม่หลับอาจจะด้วยหลายสายเหตุอาจจะดื่มกาแฟมากไปหน่อย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 กัดกร่อนจิตใจเราให้เป็นทุกข์เพราะนั้นสติภาวนาอันนี้เรย่องเกี่ยวกับจิตใจล้วนๆเลยเรื่องทางกายนี่ขอญาตไม่พูดไม่อยากจะพูดเพราะว่าผู้พูดเองก็ทางกายก็บกพร่องนะ <c oughs> ร่างกายก็บกพร่องแต่ว่ามีชีวิตอยู่ได้ถึงกระตั้งทุกวันนี้นี่เพราะอาหารใจบำรุงหล่อเลี้ยงอยู่คนที่พิการแบบเนี้ยใช้ชีวิตที่ผิดปกติจากธรรมชาติ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 รูปมั น, นก็อยากจะฟักปอดแต่ว่ากิเลสความอยากมันไม่ยอมมันจะต้องทําในสิ่งที่มันอยากทําแล้วมันมันกจะทํำสาเร็จด้วยใช่ไหมเราไม่เคยมีข้อต่อรองกับเขาเราไม่ได้ต่อรองเเราเชื่อวก็ตลอดเวลาเพราะอะไรอันนี้ไม่ได้ตาหนินะเป็นเพราะว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่มันปรุงแต่งอยู่ในใจเราเนี่ยมันเป็นตัวเราจริงๆอันนี้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 ร่างกายท่านต้องสุดสัวมากกว่า น, นั้นเพราะฉะนั้นร่างกายเราดูแลพอสมควรถึงเวลากินให้เขากินถึงเวลานอนให้นอนถึงเวลาพักผ่อนต้องทําให้เขาพักผ่อนออกกําลังกายโยคะไทเก๊กอะไรก็ว่าไปแต่อย่าลืมด้านจิตใจจิตใจนี่มันสําคัญนะเนี่ยมันไม่ได้สําคัญเฉพาะภพชาตินี้นะมันต่อนเนื่องมาจากที่เราตายไปแล้วน้วงนั้นอย่าลืมสุขภาพจิตนะครับ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 แต่ว่ามันมีอยู่ระดับที่มันสั้นมากรู้ได้เดียวเดี๋ยวก็เผลอ ER ละได้มีอะไรมายัว่วเราก็เผลอ ER ละแต่ว่าการที่จะารู้รู้ตัวต่อนเนื่องกันานานๆเนี่ยจะมีประโยชน์มากเหมือนอย่างเราถูพื้นเนี่ยถูครั้งเดียวเนี่ยมันไม่สะอาดต้องถูบ่อยๆหลายๆครั้งมันจะสะอาดเป็นเงาความรู้นูรู้ตัวก็เช่นเดียวกันทําให้จิตใจเราเนี่ยมันปลอดโปร่งนักศึกษาที่เรียนหนังสือถ้าไม่มีความรู้รู้ตัวเนี่ย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 อันนี้ก็เป็นการฝึกสติที่ร์สัยคําบริกรรมฝึกจิตได้เหมือนกันซึ่งแต่ละแบบนี่ผมเคยฝึกมาทางนั้นแต่มาตรงกับตฤณิตัวเองคือการเคลื่อนไหวเนี่ยคนสมัยนี้นี่มีความทุกข์มากทุกเพราะความคิดเราไปทุกข้อ ย, อย่างอื่นไหมนอกจากความคิดแล้วก็ทุกไม่เกิดทุกเกิดเพราะความคิดทีนี้เมื่อมีความคิดมากเนี่ย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 หลับง่วงดีกว่าฟุ้งนะฟุ้งซ่านวุ่นวายนี่อันนี้อันตรายมากง่วงนอนหลับง่ายนี่ก็ยังดีก่อนที่จะง่วงนี่อะไรเกิดขึ้นรู้มไหมความสงบจะเกิดขึ้นพอความสงบเกิดขึ้นเดี๋ยวความง่วงมาแล้วมันเพื่อนกันเดี๋ยวตามมาส่วนกําไรคือความขี้เกียจมันตามมาเป็นก็เลย ก, กลบบระบวนการเพราะนั้นมันง่วงมันหลับไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องทานยา บางคนเนี่ไม่หลับต้องทานยานะคนเราหลับง่ายโชคดีแล้วดีกวคนฟุ้งซ่านคนฟุ้งซ่านไม่หลับเนี่ยปัญหามากนอกจากกวนใจตัวเองแล้วอย่าไปกวนใจคนข้างๆอี่ลุกมาคุยกันก่อนเปิดทีวีเสียงดังรบกวนะเพราะฉะนั้นหลับดีกว่าฟุง้งแล้วไม่เป็นไรการฝึกสติอย่างเนี้ยแบบมีการเคลื่อนไหวเนี่ยทําให้สติมันตื่นแล้วความหลับเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้น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 อยู่ตรงที่จากคนที่มีความทุกข์มากกลายเป็นคนมีทุกข์น้อยอันนี้คือสิ่งมหัศจรรย์ไม่ต้องห่อเหินเดินอากาศถ้าห่อเหินเดินอากาศได้นี่ยังมีทุกข์อยู่นี่ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมแค่นี้ยเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยทําแบบสบายๆรู้เบาๆนิ่มๆมอย่าไปเพง่งจิตถ้าเพ่งมากเกินไปเนี่ยมันถูกใช้งานแล้วมันจะเครียด เราเคยดูทีวีที่ตอนที่มันตื่นเต้นไหมมันกําลังจะยิงประตูอยู่แล้วหรือนางเอกกําลังหนีโจรเนี่ยโห่ใจจะเครียดโฟกัสเป็นหนึ่งอยู่กับทีวีเลยตอนนั้นรู้ไหมว่าใจาเราเป็นทุกข์แต่พอตดัดโชว์เป็นโฆษณาโอโล่งไปทีการจริตก็ให้เหมือนอย่างกัรดูโฆษณาทําสบายๆเล่นๆแต่มันรู้เรื่องนะดูโฆษณารู้เรื่องไหมบางทีมันได้รสชาติมันรู้เรื่องก็เหมือนอย่าง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 แล้วต่อไปเขาจะพัฒนาขึ้นเองการพลิกมือก็ดีการกำมือก็ดีการถูนิ้วมือก็ดีเนี่ยเป็นการฝึกสติเป็นการปฏิบัติบูชาเขาเรียกว่าอะไรส ม, มัญญญาบัพพะคืออิเลียบทย่อยๆทีนี้เราก็ใช้ได้ทั้งวันเลยการแปลงฟันอย่างรู้สึกตัวเห็นไหมแปลงฟันรู้สึกตัวเนี่ยอยู่กับปัจจุบั น, นมันมีความสุข แปลงกระทบกับเหงื่อยังรู้สึกตัวในโอ้มีความสุขมันทีฮัมเพลงก็มาการทานข้าวเราเคยมีสติอยู่ ก, การทานข้าวไหมบางคนทานเข้าไปเนี่ยคิดโครงการต่างๆเขาเรียกกินโครงการ <laughs> กินโครงการจนจบโครงการข้าวไม่หมดชามขาดความสุขอยู่กับการทานข้าวไม่รู้รสอาหารเลยอาหารหมดชามแล้วเนี่ยโอ้มันรู้รสชาตเป็นยังไง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 เพราะเราขาดจังหวะชีวิตลองทำเป็นจังหวะดูบ้างการต่อนเนื่องที่เป็นจังหวะเนี่ยทำได้ทั้งวันเลยทีนี้สําคัญที่ว่าสติเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะนําเอากุศลต่างๆมาสู่จิตใจเราเยอะเลยคนขาดสติดังนั้นอกุศลก็จะเกิดขึ้นนั้นเมื่อมีความสติมีความรู้ตัวแล้วเนี่ยความคิดก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดความคิดก็เป็นความคิดที่ดีเราสามารถกัน้นกองความคิดตรงนั้นได้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 การเดินจงกรมแปลว่าการเดินอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเราเดินไปห้องน้ําเนี่ยเดินแบบรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยถือโดยจงกรมเหมือนกันนะใช่ไหมเดินเข้าห้องน้ําอย่างรู้นรู้ตัวเนี่ยเป็นการเดินจงกรมแต่ถ้าเดินจงกรมในรูปแบบเดินไปเดินมาแต่จิตใจยังฟุ้งซ่านถือว่าไม่ได้เดินจงกรมตัวปฏิบัติก็คือการรู้ตัวว่าเรากําลังเดินอยู่สําคัญตรงนั้นเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ย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 จะรักษาจะผ่าตัดคนไข้ได้ต้องสร้างบา ร, รมีด้วยการฝึกเรียนวิชาการผ่าตัดมาก่อนนั่นคือการสร้างบา ร, รมีแล้วก็พอสร้างบา ร, รมีจนกระทั่งชํานาญแล้วก็เกิดความพร้อมอย่าผ่าตัดคนไข้เราก็เช่นเดียวกันเวลามันขี้เกียจเราขยันขยันนี่เป็นการสร้างวิริยะบา ร, รมีซึ่งเราทําได้เลยเวลามันเบื่อมันท้อแทะเราอดทน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 ในคุกไปต่อในเขาเจริญสติเขาทําได้ครั้งเดียวนะพอครั้งต่อมาเขตยจดหมายมาบอกเขาฝึกสติเป็นแล้วเขาเป็นคนที่มีความทุกข์มากติดคุกสามสิบปีเขาฝึกสติเป็นเนี่ยเขาไม่คํานึงถึงว่าสาสิปียาวนานขนาดไหนเขามีความสุขอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมตกอบายภคุมในเมืองมนุษย์แต่เขาก็ยังมีความสุขได้เพราะฉะนั้นการทําให้เป็นเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มาก เราทําให้เป็นเนี่ยไปทําที่ไหนก็ได้แล้วมันก็จะติดตัวเราไปถ้าเราโชคดีไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์นี่เทวดาสวรรค์นี่มันมีกรรมคุณมากมายมีความสุขมากมายไม่อยากเจริญสติหรอกแต่ถ้าเราฝึกสติเป็นแล้วก็อาจจะบรรลุธรรมในเทวดาก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมมีแต่ความสงบเงียบสติไม่ค่อยเกิดผมลูกฟักนะ่ะสติไม่เกิดรแต่ถ้าเราฝึกเป็นในเมืองมนุษย์แล้วก็ไม่อยากอยู่ใน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 บริษัทผมเนี่ยโอ้ทาแล้วนี่ไม่ตกกบายยูมินะม่อยู่บริษัทเดียวเท่านั้นพุทธบริษัทไงโอถ้าเรามาอยู่บริษัทประกันชิตพุทธบริษัทแล้วก็ไม่ตกกบายยูมิแต่ต้องปฏิบัติทำตามอย่างที่ชาวพุทธเขาปฏิบัติกันนะพุทธบริษัทถ้าปฏิบัติตามคําสอนแล้วก็ไม่ตกอบายยูมิรับประกันได้ไม่กลัวตายแล้วก็รู้จักตัวเองแล้วก็เข้าใจชีวิตอาบายาพูลมีที่ไหน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 สตินี้ต้องคู่กับกุศลธรรมเสมอๆ mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นธรรมะฝ่ายดีฝ่ายกุศลทานข้าวรู้สึกตัวเราได้กุศลธรรมแล้วอาบน้ํารู้สึกตัวหวีผมอย่างรู้สึกตัวได้ไปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นอกุศลธรรมเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นของนี้มันของอริกันเพราะฉะนั้นทํ า, ทาบ่อยๆทําบ่อยๆนึกได้ก็รู้สึกตัว ท, ทันทีเลยถ้ามีโอกาสมีเวลาส่วนตัวทำในรูปแบบ ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมนั่งดูลมหายใจฝึกการเคลื่อนไหวอย่างรู้ในรู้ตัวอันนี้เราทำกุศลได้ทั้งวันเลยไม่ต้องไปที่วัดก็ได้เราไม่มีเวลาไปที่วัดเราก็ทำอยู่ที่บ้านจัดบ้านให้เป็นวัดอย่างที่มีคำกรอนบทหนึ่งเป็นคำกรอนเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกตัวซึ่งท่งานธรรมวโทเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เขียนคากรอนนี้ขึ้นมาเนี่ยไพยเราะมาก